ใจทุกครั้งกับการเห็นคนรอบตัวทำเรื่องร้ายสติแล้วก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความถูกต้องใดๆจนเผลอหงุดหงิดและพูดแย่ๆใส่พวกเขาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ทราบว่าเป็นบาปทำให้เนื้อตัวร้อนและบางทีก็ถึงขั้นเป็นไข้แต่ก็อดไม่ได้หลายหนหลายครั้งอยากวีนใส่โลกทั้งใบทาไมมันถึงเลวร้ายและไร้ความรับผิดชอบกันนัก การที่ดิฉันทำดีให้พวกเขาดูและช่วยให้พวกเขายอมรับธรรมะได้ระดับหนึ่งแทบไม่มีความหมายใดๆเลยในเวลาที่เขาอยากทำอะไรของเขาโดยเฉพาะเรื่องมีเมียให้เกลื่อนดิฉันควรปล่อยเลยตามเลยหรือพยายามเช่นไรต่อเพื่อให้เป็นบุญไม่เป็นบาป ก, กับตนเองและพวกเขาท่องไว้ครับ บุญใหญ่หาใช้การทําโลกนี้ให้ดีขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนตัวเองให้ร้ายน้อยลงผมพบว่าหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นโดวยวิธีด่าโลกจะบังคับโลกให้เป็นไปตามใจตนด้วยวาจาซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจเป็นการเพิ่มกระแสความเร้าร้อนให้กับโลกที่ร้ายอยู่แล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเช่น คุณเห็นคนใกล้ตัวเจ้าชู้มีเมียแล้วยังอยากมีอีกและก็มีไปเรื่อยๆ ร, ราวกับสะสมสแตมโอเคนั่นเป็นความไม่ดีของเขาเพราะคนยุคเรายังมีจิตสำนึกรับรู้ว่าคนธรรมดาเหมือนกันหญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันควรให้เกียรติและเคารพในสิทธิ์ของกันและกันฉะนั้นหากยังมีสานึกก็ไม่น่าไปมีใครอื่นตอนไม่โสดแต่การด่าของคุณละ่ะ โลกเราทุกยุคทุกสมัยทราบดีว่าด่าเมื่อใดร้อนเมื่อนั้นคุณเห็นด้วยไหมการพบคนอื่นทำเรื่องร้ายแล้วอยากด่าและไม่ยับยั้งชั่งใจที่จะด่าเขามันเกิดผลแบบไหนกับใจคุณและใจเขาพอจะพยากรถูกไหมเมื่อโลกร้ายนักคุณคิดหรือว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ด้วยการโยนความร้ายเพิ่มเข้าไปไฟกำลังลามคุณคิดหรือว่า จะทำให้ทุกอย่างสงบลงด้วยการพ่นไฟใหม่กลบไฟเดิมกว่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดและความปักใจเชื่อดังที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับต้องใช้เวลาต้องผ่านการสั่งสมนิสัยและต้องมีองค์ประกอบหล่อลลอมพวกเขามากมายกายกองคุณเป็นใครถึงคิดว่าจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งด้วยคดาด่าอันระคายโสดเพียงไม่กี่ครั้ง ความอยากเปลี่ยนแปลงโลกมีมาทุกยุคทุกสมัยครับแต่คนที่อยากเปลี่ยนโลกภายนอกโดยไม่อยากเปลี่ยนโลกภายในนั้นมักทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มากกว่าการขยับปากด่าเขาก่อนจะรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายนอกทางที่ดีที่สุดคือคุณต้องรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายในเมื่อรู้ว่าตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงยากขนาดไหนคุณก็จะสุ ข, ขุมมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นและที่สาคัญ มีความเข้าใจมากขึ้นกับการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกคนเราถึงผิดจริงก็ไม่ชอบให้ใครมาด่าไม่ชอบให้ใครมาว่าตัวเองรู้อย่างนี้ก็อย่าไปจี้จุดที่เขาผิดแต่ควรเริ่มจี้จากจุดที่เขาถูกเพื่อให้ภาคของความถูกต้องดีงามของเขาตักเตือนตนเองเช่นขอคําแนะนำจากเขาให้เขาสอนคุณเรื่องรับผิดชอบการงาน วนเวียนซักถามเรื่องการรับผิดชอบหลายแง่ห ล, หลายมุมระวังอย่าวกเข้าเรื่องรับผิดชอบลูกเมียให้เขารู้สึกว่ากำลังถูกด่ากระทบหากคุณทำให้เขาภูมิใจที่รู้เรื่องการรับผิดชอบได้เอาไว้เขาก็ชะงักคิดเองตอนเขามีสำนึกรับผิดชอบลูกเมียต่ำลงหรือไม่เขาไม่ค่อยจะมีวินัยไม่ค่อยรับผิดชอบการงานก็ลองขุดหาความดีที่เป็นทุนของเขาให้เจอเช่น ทำตัวให้เขารู้สึกว่าคุณชื่นชมเขาอย่างหนึ่งคือดีเลวอย่างไรก็ไม่โกหกอันนี้ปัจจัยอยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าขอแค่เขาพูดแต่คำจริงคุณจะไม่ดา่าไม่ว่าไม่แสดงปฏิกิริยาให้เขารู้ว่าตัวเองผิดเขาก็อาจรักการพูดความจริงขึ้นมาได้ศีลเป็นสิ่งมีพลังและศีลแต่ละข้อก็มีอำนาจดึงดูดศีลข้ออื่น เพราะศียทุกข้อเชื่อมโยงกับความละอายบาปโดยตรงเมื่อขอร้องให้เขารักษาศีลได้บางข้อในที่สุดเขาอาจอยากรักษาศีลให้ครบทุกข้อขึ้นมาเองโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการมุสานั้นหากใครตั้งใจงดเว้นคำเท็จมีแต่พูดคำจริงก็มักเป็นทุนให้เกิดกำลังใจอยากงดเว้นความชั่วอื่นๆได้ง่ายขึ้นว่าก็ว่าเถอะ เมียน้อยนั้นลงได้มีแล้วก็ไม่เหมือนสินค้าที่จะเอาไปแลกคืนหรือขายต่อเมื่อมีแล้วต้องรับผลของการมีผมคงไม่อาจให้คําแนะนําในการกําจัดเมียน้อยของญาติผู้ใหญ่คงได้แต่ให้กําลังใจและข้อแนะนําในการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรให้ดีขึ้นเท่าที่จะเป็นได้นะครับดังตริน 6. รกรกฎาคม พุทธศักราช2550